อันนปโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุ้ต่อสารนิกชนทั้งหลายบัดนี้ท่านนั้นหลายได้พาการสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐ า, านแล้วโดวยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งการสมาทานขอให้ท่านตั้งใจสมาทานด้วยความ จ, จริงใจและด้วยศรัทธาแท้ อย่าถือว่าเป็นประเพณีท่านขณะใดจิตของท่านหลายถือคําสมาทานเป็นประเพณีคําว่าสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในท่านหรือว่าคำว่าสวรรค์ย่อมไม่มีในท่านทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าศักทวรพุทธักทวกรวกล่าวกล่าวตามประเพณี ถ้าเราถือกันจริงๆคำหนึ่งมีว่าอีมาหังพระกว่าอตาภาวังตุมหากลงปริจชามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถ้อยคำนี้จะเป็นจริงตามคำที่ท่านท่านกล่าวหรือไม่ก็ขอให้ท่านทัางหลายดูอิธิบาสี และบารมีสิบท่านสอนรการนี้ไปจำจิตของท่านอย่างมั่นคงหรือเปล่าถ้าว่าทัางสองราการนี้ไม่มีอยู่ในใจของท่านหรือว่ามีแต่ว่ามีศักทิ์วามีมีอารมณ์บกคร่องอยู่บ้างแล้ว อ, อยู่มาก <c oughs> ก็ยังไม่ชื่อไปสาวว่าขององค์สมเด็จพระผูมิมีพระภาาเจ้า <c oughs> นี่คอยตระหนายวัดใจของท่านแบบนี้ มักผลต่างๆจะมีขึ้นมาได้ก็อาศัยอิทธิบาทสี่และบารมีสิบแต่ขาดเหตุจังสอนวการท่างหลายเหล่านี้แล้วท่านทั้งหลายจะไม่มีผลอะไรเลยฉะนั้นขอทุกท่านจงตั้งใจรักษากําลังใจของท่านให้มั่นคงอยู่ในอิทธิบาทสี่และบารมีสิบถ้าหากว่าจิตของท่านมั่นคงจริงๆ จะเป็นสุขวิปสัสสโกเตวิโชชะละพิญโยปิสัมมิทัปโตทั้งสี่บริการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกินวิสัยของท่านนาจุกจงอย่าถือเอาตนเองไปวัดกับใครว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาคิดว่าเราดีกว่าเขาก็เป็นการทะนงตนเกินไป คิดว่าเราเสมอเขาก็รู้สึกว่าจะเป็นการมีจิตหยาบเกินไปคิดว่าเราเลวกว่าเขาก็รู้สึกว่าทำลายความดีของตนมากเกินไปเป็นแต่เพียงคิดว่าถ้าเราส่งความดีสองบริการนี้ไปได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถที่จะทำ คำสั่งสอนพระองค์สำเด็จพระผู้มีพระธาตเจ้ามาทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเฉต่ประหารได้ข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที <c oughs> ่ท่านหลายยังมีการลดหลั่งระหว่างการทรงกำลังใจก็เพราะเหตุนี้เป็นสำคัญ <c oughs> วันนี้ก็จะขอพูดต่อเรื่องที่ปีคุยานวราโปรดได้จำมาให้ดีนะ ว่าจะเป็นสุขวิปัสสโกตีวิโชเชลลาพิญโยปฏิสัมพิทาประตที่อย่างนี้ใช้กำลังใจเสมอกันถ้าอารมณ์ใจของท่านอ่อนแอลาดในทิบบาทสีลาดในบารมีสิทธิ์ผมขอพยากรมาเลยว่าไม่มีทางได้อะไรเลยแม้แต่ชาโลกีก็จะไม่มีในจิตของท่าน เป็นนั้นว่าเมื่อคืนนี้มาพูดค้างไว้ในด้านทิฏยิคุยานว่าถ้ากำลังใจของเราเข้าถึงอุปจารสมาธิสำหรับทิฏยิคุยานนี้อย่าลืมนะครับว่ามีแบบปฏิบัติอยู่มากสำหรับอาธิกรรมอาธิกรรมมกับบุคคลหมายความว่าคนไม่เคยได้มาในชาติก่อน ต้เริ่มต้นในการกระทาตามแบบพิสุธิมรตท่านในใช้เตโชกสินอาโลกสินเนโอทาจกสินเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติให้เกิดทิพยคุญานนี่ว่ากันตามแบบถ้าคำว่าตามแบบปฏิบัติก็ถือว่าถ้าเราจะใช้อะไรก็ได้มาเป็นกสิน นี่เพราะอย่างยิ่งเราอาจะเอาพระพุทธรูปมาเป็นกสิณเราก็ใช้ได้ต่างว่าเป็นคนที่เคยได้มาแลในชช่ก่อนเพียงเป็นแต่เพียงสร้างอารมณ์จิตให้ถึงอุปจารสมาธิที่พิขุยายก็เกิดท่านี้สำรับแนวทารปฏิบัติที่ผมแนะนำท่านว่าใช้คำภาวนาว่าพุทังเมคณิมิตจิตต่างมาเอาอก ทำมังเมคินลมิจิตังอุอามะสังขังเมคิลมิจิตังอามะ อ, อุถ้าฟังอย่างนี้แล้วบางทีไปคุยกับใครเขาเขาก็จะคิดว่าผมสอนนอกรูนอกทางแต่ความจริงอันนี้เขาปฏิบัติกันได้ดีม า, มากแล้วก็ปฏิบัติได้ผลมันแล้วก็เป็นอันว่าถึง อนุสติทั้งสามในการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติและเวลาที่ปฏิบัติต้องใช่อารมณ์เข้มแข็งการใช่อารมณ์อ่อนแอเนี่ไม่ได้ต้องอจิตจับภาพพระพุทธรูปหรือว่าพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งไว้เป็นสำคัญเรื่องนี้เราผ่อนกันไม่ได้เลย กำลังใจจุดนี้จะต้องใช้เหมือนกันทั้งพวกฝึกวิชาสามอภิญญาหกและปริสมิทายานใช้กำลังเท่ากันแม้ด้สายสุขวิปัสสโกก็เช่นเดียวกันใจเสมอกันแต่ว่าแยกวิธีปฏิบัติเพื่อความรู้พิเศษเท่านั้นสมมติว่าท่านทังหลายสามารถจะทำใจเข้าเชงถึงอุปจารสมาธิ คือนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำอะไรยอยู่ก็าตามจิตสามารถจะนึกถึงภาพพระที่ท่านกำหนดไว้แต่ว่าภาพพระที่ท่านกำหนดไว้นี่โปรดจำไม่ดีว่าบางทีเรากาหนดเป็นภาพพระนั่งดีไม่ดีเห็นนึกเห็นเป็นพระนอนไปซะแล้วไม่ใช่ว่าเราเองนะตอนจิตนึกขึ้นมาเราก็เห็นภาพนั้นชัด ถ้าทางที่ดีแล้วก็ น, น้อมมาภาพพระนั้นมาไว้ในอกนี่จะดีมากบางทีเรานึกถึงภาพพระพุทธรูปว่ายพระพุทธรูปกลายเป็นประสงค์เสร็แล้วถ้าพระพุทธรูปนั่งกลายเป็นประสงค์ยืนแลประสงค์นั่งประสงค์นอนอย่างนี้จงถือว่าใช้ได้ทั้งหมดบางทีเรานึกถึงภาพพระสีเหลือง แต่กลายเป็นสีขาวปาปขไปบ้างเป็นสีคล้ำไปบ้างอะไรก็ตามใจท่านคอยจิตมันจับได้ไม่ได้ก็แล้วกันอันดับแรกนี้เราต้องเรียกนะว่าวิปัสสนึกคือนึกขึ้นมาบรรไดนึกเห็นภาพได้ทันทีอย่างนี้เ้า่าสร้างภาพขึ้นในอกที่อย่างที่วัดป่ากน้ำภาษีเจริญที่บอกให้สร้างดวงขึ้นในอก ก็แบบเดียวกันตอนนี้ถามว่าเมื่อท่านทั้งหลายสามารถจับอภาพพระคำว่าในอกได้นี่ต้องมีความเข้มแข็งนะเฮ้ยตอนนี้เป็นเรื่องของปัญญาแล้วผมจะไม่พูดแบบที่เรียกปฏิบัติกันมาํำก่อนๆตามสายกนันก่อนเอากันตรงไปตรงมาต้องให้ได้จริงๆ เมื่อทำจิตของท่านสามารถจับภาพพระนี่ได้จริงๆจะนึกขึ้นมาเวลาไหนเห็นได้จริงๆไม่ใช่ลอยมานะจะลืมภาพลอยนี่เขาไม่ใช้นี่เราใช้กำลังใจเขาเราให้เป็นทิพทิพเ ป, ปะยะคุยยานก็แปลว่าผู้มีความรู้คล้ายตาทิพไม่ใช่ารกตาปเป็นทิพ มองภาพลอยไปลอยมาอันนี้ใช้ไม่ได้เลยแล้ว น, นี้เมื่อเราจับภาพนี้ได้ตอนนี้อารมณ์ทิพย์อยู่้ยานก็เกิดอารมณ์จิตเริ่ม เ, เป็นทิพย์แต่ก็เกิดแบบมัวมัวเพราะอะไรเพราะภาพพระที่เราเห็นเนี่ยมันชัดหรือไม่ชัดเพราะภาพพระที่เราจับนีเนี่ย มันเป็นเครื่องวัดกําลังใจของเราว่าจิตเราเป็นทิพย์แจ่มใสหรือไม่แจ่มใสนี่ความจริงแล้วก็เราจะเอาเข้าไปเทียบกับพวกมโนยุทธิ์เขาหนะทิพย์ประโยชน์ควานนี่ใช้ได้ผลแต่เยกคล่องแคล่วแจ่มใสเหมือนมโนยุทธินี่ไม่ได้กําลังยังอ่อนกว่ากันกันเป็นร้อยเท่าแต่ถ้าว่ามีผล ผลที่จะพึงได้ก็คือพี่สูดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกจุดไถ้าอารมณ์ของท่านเข้าถึงจุดนี้อันดับแรกที่อารมณ์เป็นทิพยุขยานมันจะเกิดมันเกิดแบบนี้ก่อนคือว่าเราใช้อารมณ์จริงๆยังไม่ได้เพราะว่ากำลังจิตยังอ่อนอยู่ เมื่อเรานอนภาวนาไปสมมติว่ามีเรื่องอะไรที่มีการขัดข้องแล้วเราต้องการจะรู้บันทึกไว้เขียนไวและนึกไวทันตอนกรางวันก็ได้แต่ว่าจะให้เรื่องนั้นมันยุ่งมากนะักเอาเฉพาะจุดเวลาจะนอนแล้วก็ภาวนาเรื่อยไปจนหลับพลาดจับพระได้เป็นปกติ เวลาใกล้จะหลับมันครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือว่าเวลาตื่นตื่นไม่เต็มที่ตอนนี้จะเกิดนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคําว่านิมิตนี้ผ ม, ม, มไม่ในหมายไม่เจาะจงอาจจะเห็นโลกโงโลกัวลูกควายรูปม้าโลกช้างสีขาวสีเขียวสีแดงคนพระอะไรก็ช่า ง, าางาถ้าเกิดนิมิตอย่างใดเกิดขึ้นแต่ว่าขอตื่นอีกนิดหนึ่ง ว่าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราตั้งใจไว้เสีก่อนว่าเราต้องการรู้เรื่องนี้เวลาที่ภาวนาต้องทิ้งอารมณ์นั้นทันทีเอาจิตจับเฉพาะคำภาวนาและจับภาพพระแล้วพร้อมกันนั้นก็จับลมให้ใจเขาออกไปด้วยต้องทําให้ได้นะอันนี้อย่าสักแต่ว่าไม่ได้สักแต่ว่าทําได้บ้างไม่ได้บ้างจับได้บ้างไม่ได้บ้าง อย่างโนมน้นพลาดอย่างนี้อยู่ไม่ได้แน่นี่เป็นเรื่องจริงใจนี่เมื่อพลาดนี่มิม่เกิดขึ้นอารมณ์มันจะบอกทันทีว่านิมิ่งนี้บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บันทึกจดเอาไว้มันจะตรงตามความเป็นจริงนี่หมายถึงว่าที่ปีกุญญาอย่างอ่อน แล้วถ้าเราไม่ทิ้งอารมณ์นั้นเราทรงอารมณ์ไว้เสมออารมณ์จิตเริ่มแจ่มใสขึ้นการจับพระทรงตัวคล่องขึ้นไม่เห็นชัขึ้นนึกเห็นนะไม่ใช่ไม่ใช่ลอยไม่เห็นพอลอยไม่เห็นนี่ใช้ไม่ได้นะผมไม่ให้คะแนนเลยเพราะว่าผมปฏิบัติมาแล้วผมรู้ว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดี คนที่จับภาพลอยนี่เป็นอารมปราชานภาพลอยนั่นมันเป็นดตเพียจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิไม่เห็นสิ่งที่เป็นทิพย์แต่ว่าถ้าไปจับเอาคิดว่าเป็นทิพย์อยู่ขรยานก็เหลวไม่ใช่คนละเรื่องเนี่ยเฝือกันสมัครไอ้เรือ่องนี้ถ้าหากว่าจิตเราจับอารมณ์มันดีขึ้นทิพย์อยู่ยานสูงขึ้น ถ้าเราอยากจะรู้อะไรขึ้นมาแล้วก็นึกจับภาพพระนั่งก่อนอย่าลืมนะอันนี้ทิ้งไม่ได้นะกำหนดจิตจับคำบรณายจับภาพจับภาพพระนั่นก่อนไม่เห็นภาพพระจะเป็นภาพพระอะไรก็ช่างให้เป็นภาพพระก็แล้วกันแล้วก็สังเกต ด, ดูว่าเราเห็นแจ่มใสหรือไม่แจ่มใส แห้าการเห็นภาพพระชัดเจงแค่ใดเราก็จะเห็นภาพสิ่งที่เราต้องการชัดเจนเท่านั้นสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าในกอคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนจงลืมความประพฤติโจ เ, เสียความประพฤติในปัจจุบันเชือก่อนที่เขาจะตาย <c oughs> เขาทำอะไรทำดีทำชั่วอะไรอยู่ที่ไหนทิ้งอารมณ์เสียหมด ถ้าไปก่ะ อ, อารมณ์นั้นนั้นแหละอุปาทานมันกินสมมติว่าเคยเห็นเขาลักเขาโมยเขาปล้นเขายื้อแย่งฆ่าปลาฆ่าสัตว์อารมณ์อย่างนี้มันจะบอกตัวเองอุปาทานบอกว่านายคนนี้จะต้องตกมรรคนี่เป็นอุปาทานแน่คิดว่านายกก็คือนายกและนายกจะมีความประพฤติ ด, ดีประพฤติชั่วอะไรไม่สนใจ จับคำภาว น, นาให้จิตเป็นอุปจารสมาธิหรือเป็นฌานให้เป็นเอกขัคตารมอารมณ์ทรงอยู่เสมออยู่อย่างเดียวคืออารมณ์ทรงไว้อย่างเดียวคําว่าอย่างเดียวในที่นี้หมายความว่าจับพระได้จับภาพพระกับคำํำภาวนาแล้วก็ลมหายใจก็ออกเห็นภาพพระชัดเท่าไหร่ นักจงอนาหนดใจว่าท้ายเจ้าอยากจะรู้ว่าในกอเวลานี้อยู่ที่ไหนเพียงเท่านี้แหละภาพในกอก็จะปรากฏชัดเจนเท่ากับภาพพระเทวหินนี่เป็นวิธีฝึกใหม่ๆนะถ้าว่าจิตเห็นเขาบังเอิญเราเห็นว่าฆ่าสัตว์ชีวิตเป็นคนเลวเมาสกินคนลายาเมา แต่ภาพนั้นกลายเป็นภาพในกอเฉยๆเหมือนกับคนธรรมดาแก่หรือว่าเด็กหรือว่านุ่ม <c oughs> เห็นอย่างนี้แล้วจงมีความรู้สึกว่านั่นเป็นภาพที่ในกอสนแสดงภาพเดิมให้เรารู้จักยังไม่เค่ภาพแท้ในปัจจุบันตั้งกำหนดจิตฐานในกอว่าพูดกันได้ใจนะ เอาใจพูดกันตอนนี้เรื่องบันทิปแล้วถามในกอว่าปัจจุบันเนี่ยเวลานี้ในกออยู่ที่ไหนแล้วมีภาพความจริงเป็นยังไงรูร่างหน้าตาภาพในกอเดิมก็จะหายไปจะกลายเป็นภาพปัจจุบันเขา อ, อาจจะเป็นเทวดาก็ได้เขา อ, อาจจะเป็นโคงก็ได้ ถ้าท่านอยาถามว่าเป็นเทวดาหรือพรมได้ยังไงก็เพราะว่าเวลาก่อนที่เขาจะตายในใจเขานึกอะไรดูอย่างท่านสุปฏิทิตาเทพบุตรท่านสร้างกรรมลามกทุกอย่างทุกระเพทแต่เวลาก่อนจะตายใจท่านึกถึงองค์สมเด็จตระส ม, มาสัมพุทธเจ้าชั่วขนาดเดียวท่านก็ไป เ, เกิดบนสวรรค์เั้นดาวเดือนสเทวโลก แล้วฟังพระพุทธเจ้าเทศอีกจบเดียวก็ได้พระโสดาบันฉะนั้นก่อนที่อยากจะรู้อะไรอย่าไปสืรประวัติเดิมเขาไม่ต้องไปสืบแฟถ้าคืนสืบ อ, อุปาทานม่กินไม่กินตรงไหนนึกถึงภาพครุข่าสัตว์แล้วก็ น, นึก้ว่อนในกรณีต้องลงนรกละนี่ภาพสัตว์ในรกมันก็เกิดทิอย่างนี้เขาเรียกอุปาทานจำให้ดีนะ ว่าคำโมปาทานในใช้กันเฟอ้อมากไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นโุปาทานถ้าหากว่าในกอลงนรกเราจะเห็นภาพในกออยู่ในนรกมีโทษประการใดไฟเผาเครื่องสันเผาสับฟันรือแต่ายต้นนิ้วอยากแจกแจกแจกว่าตกอยู่ในกระทะทนแดงเราจะเห็น ชัดเท่ากับเพียวเห็นภาพพระนี่ผมถือว่าเป็ น, นดับตนแต่ว่าการเห็นนันดับแรกนี่ถ้าจิตเราทรงฌานไม่ดีบางทีพอ น, นึกจะถามภาพน้มันหายไปซะแล้วถ้าภาพมันหายไปแล้วก็ตั้งท่าใหม่ทิ้งอารมณ์นั้นจับอารมณ์เดิมเพราะอารมณ์ทรงตัวภาพนั้นก็จะเกิด พอถามอาพอถามคำหนึ่งภาพผายภาษีนี่เป็นวิธีฝึกแต่ว่าการฝึกนี่ไม่แน่นะบางคนก็พลื้ปราดได้ที่จุดปลายทางเลยนี่ผมพูดตามตามลักษณะที่จะเกิดอันนี้เราทำไมเราจะพูดกันได้ดีละ่ะต้องหักตั้งเวลาที่ผมเคยบอกทันไว้ ว่าตั้งเวลานี้ตั้งเวลาทอายังไงเวลานี้ใช้แบบ ง, ง่ายเอารูปว่าคำม่ชักร้อยแปดลูกคือร้อยแปดจบที่ภาวนาตอนนี้จับภาพภาพระไปด้วยในร้อยแปดจบนี่เราจะไม่ยอมให้จิตคิดเรื่องอะไรทั้งหมดถ้ายังไม่ครบร้อยแปดจบถ้าไม่คิดขึ้นมาก่อนมีรมแทรกเริ่มต้นมันใหม่ ใช้อฏ in ha yep so ิบัติเข้าหันมาแล้วเท่านี้ใช้อธิบัติกระบรมีสิทเข้าหันโดยเฉพาะอย่างยี่อธิบัติฉันทะพอใจวิริยะเพียรต่อสู้อกาอุปสรรคอิจจะอิตะอจิตก็จดจ่อในเหตุนั้นปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาค่อยๆไปด้วยว่าเราภาวนาถูกภาวนาจบหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ต้องใช้อะไรมากเพราะว่ากัญชาญ ให้ทรงอารมณ์ไวร้อยแปดใช้เวลาเท่าไหร่แสดงว่าเราทรงสมาธิได้เวลาเท่านั้นเราก็ส า, ม, สา ม, มารถจะพูดกับผีเทวดาและผมเท่าเวลาที่เราเคยสรงไวนี่เป็นอันดับต้นแล้วก็ในอันดับต้นนี้จะมีลักษณะแปลกอย่างหนึ่งก็วเวลานั่งโย่คุยโย่ทำอะไรโย่โดยไม่ได้คิดภาวนาเลย แต่จิตเวลานั ja ua, Him, i, human, human human. ้นมันจับตกไปอยู่ที่อุปจาระสมาธิพอดีจิตจะมีความรู้สึกว่าอาเหตุอย่างนั้นเหตุอย่างนี้อย่าปรากฏหรือว่าเป็นภาพปรากฏแต่จิตรู้ว่าภาพนี้เป็นเหตุอนั้นอันนี้อันนี้ต้องเชื่อทันทีและห้ามคิดห้ามไตรตรองห้ามไข้ฟุ้งนำมาแก้ไข เึราว่าถ้าจิตพลาดเลยเอย่างนั้นแล้วอารมณ์มันไม่เจติปไปไปไก้ชวนแก้ไขพิจารณามันก็ไม่ถูกไม่ถูกนปนบริการหนึ่งบางทีกำลังคุยกับเพื่อนหรือนอนงสือหรือทำงานอยู่มันง่วงนอนง่วงนอนทนไม่ไหวนั่ น, นแสดงว่าทิวดาหรือว่าพรหมหรือพระท่านจะบอกอะไรแล้วก็มันทนไม่ไหวจริง ก็ต้องไม่นอนเพล้มตัวนอนผับภาพนี้ไม่เกิดจิตบอกทันทีว่าอะไรจะมีมาแล้วก็เท่านั้นแหละอาการง่วงมันก็หายไปและเราก็ต้องเชื่อทันทีว่านี่เหตุนั้นมันอยู่ตรงเกิดนี่ว่ากันนีว่าตอนตอน้ตนๆ น, นะอันนี้เราพูดกระละเอียดๆหน่อยเพราะว่าจะพูดทางด้านในพิญญาเลยทีเดียวนี้ ผมก็ไม่จำเป็นต้องพูดเพะใช้กำลังเท่ากันเอแล้วก็พูดกันว่าทั้งสองอย่างเพราะบางท่านก็มีกำลังใจเพียงขั้นมโนยิธิเครือกิญญาบางท่านมีกำลังใจไม่ถึงแต่ว่าถ้าใช้กำลังใจแบบนี้แล้วก็ไปฝึกมโนยิธิด้วยก็กล้วยเลยนี่ผมพูดถึงว่าการ ภาวนาว่าพุทธังเหมือนกันมีจิตต่างแต่บางเอืญนท่านไม่เอาอย่างนั้นท่านไปล่อนมามวัตถะเข้ามีหวังใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าจิตเข้าระดับนี้กำลังจะเริ่มขยับขยับมาเรกววิญญาณ ย, ย, ยังไม่ยังไม่บินเพิ่เริ่มไหวตัวนิดนิดเหมือนกัดกับต้นไม้ที่ถูกลมหน่อยๆน่อย ท่า น, นี้ถ้ากําลังจิตของท่านเป็นกําลังจิตของฌานคำว่าฌานนี่ผมจะอธิบายผมพูดมันเย็นเลยแล้วจิตของฌานอารมณ์มันทรงตัวผมไม่เพื่อทูอ่จารสมาธิบีงสูงพออารมณ์ตัวมันทรงตัวขึ้นมาหมดความลาคานใจสบายจะภาพรนานภาพระเด่นนานภาพพระแจ่มใสขึ้น แบบนี้เราไม่ต้องไปฝึกแบบกระสินแล้วก็สามารถจับภาพพระได้สักห้านาทีหรือสิบนาทีไซชัดขึ้นกว่าเก่าตอนนี้เราก็ต้องทำให้คล่องทางที่ดีแล้วก็เวลาเช้ามืดตื่นขึ้นมาต้องพยายามเช้ามืดนี่มีเวลาที่มีความสำคัญมากเพราะตอนหัวค่มนี้เราเหนื่อยมาตลอดวันมีภาระ ถึงแม้ว่าไม่มีภาระอะไรอย่างอื่นมากไม่แบกไม่หามเราก็ต้องทำโน่นทํานี่คุยคนนั่นคุยคนนี้มีภารกิจอานเนังสือ ห, หาแล้วจิตใจมันก็เหนื่อยเหมือนกันประสาทมันเหนื่อยชาตินี้ต้องาศัยกําลังกายเป็นสําคัญ น, นะอย่าลืมถ้าหากว่าร่างกายของเรามันสุดจะด้านประสาทมันสุดเป็นิดเดียวบางทีเราไม่รู้สึกตัว ไม่รู้สึกตัวสุดเห็นว่ามันยังดีๆอยู่แต่เรามันมัวไปซะแล้วนี่ต้องรู้ไว้ด้วยนะแล้วก็ปริการที่สองสำหรับพระสมณีนพระถ้าเป็นอบัติมันก็มวัวถ้าไม่มีอบัติมันไม่มวัวอันนี้เราจับตัวของเราได้ดีมันจะต้องระมัดระวังเรื่องอบัติ ถ้าบัตรใหญ่แล้วก็พังไปเลยอย่างสังขารดีเศษนี้ไม่มีหวังสังขารดีเศษหรือปราชิกหมดหวังไปเลย ต, ต, เตั้งแต่นิสัยขีปายธีไปถึงปายตีนี้มันเริ่มมัวถ้าเป็นการป้องกันไว้แล้วก็เวลาตอนก่อนที่จะสมาทานหรือว่าเรานั่งอยู่กับเพื่อนกันแล้วก็บอกว่าวันนี้ถ้าตรวจจิตดูที่ตังต้งแต่ตอนเช้าขึตอนนี้ อีกอารมณ์ของเรามันเสียจุดไหนบ้างในด้านของอวบัติท่านมันเสียแล้วก็บอกเพื่อนพระบทวันนี้จิตก็โมหมองไปซะแล้วผมเรววปซะหน่อยไปแล้วเมื่อจุดนั้นจุดนี้เข่าผมจะพยายามตั้งใจจะไม่ทำอย่างนี้อีกจะไม่พูดอย่างนี้อีกจะไม่คิดอย่างนี้อีกบอกเขาตรงๆเป็นภาษาไทยๆนั่นแหละ เนื้อใจเราคิดว่าเราจะระมัดระวังไม่ยอมให้อาการอย่างนี้ที่มันเป็นอันบัตรเกิดขึ้นจิตทรงตัวไว้แต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ฌานสมาบัตรจริงๆมันอดเหลือไม่ได้เป็นของธรรมดาอันนี้ผมไม่ตำหนิแต่ว่าขอให้ท่านตำหนิตัวของตนเองไว้ว่าเราจะไม่ยอมพลาดเนาบัตรเพราะท้าวันไหนอับบัตรไม่กินมันนั่นแจ่มใส วันไหนไม่เปลี่ยววันนั้นแจ่มใสวันไหนร่างกายไม่ไม่ทุพพลภาพหมายความด้านประสาททรงตัววันนั้นก็แจ่มใสที่เวลาชาว ม, มือจะภาพให้ให้จะภาพเราจะภาพพระด้วยคำภาวนาด้วยลมหายใจเขาออกด้วยยังไม่ต้องการรู้อะไรทสมดุดไอการจับภาพใช้คำภาวนากําหนดรู้ลมหายใจออกให้มันทรงให้ดี ให้ทรงตัวดีจริงๆเมื่อทรงดูตัวดีจริงๆบางเอืน่นมาสว่างจะก่อนถึงเวลาเปฏิบัติเอา้าเขาไม่ต้องรู้อะไรมันถ้าจิตเมื่อทรงตัวดีจริงๆภาพพระจำใสต่างกําลังที่เพื่อเราเพิงได้อย่างนี้จิตสบายเป็นกตารมมีอารมณ์นั่นพอใกล้เวลาที่จะ อ, ออกเปฏิบัติก็นึก น้อมจิตนึกไปว่าเอ๊ะวันนี้ตั้งแต่เช้ายันคำ่ำจะมีอะไรมาผ่านเราบ้างหรือเปล่าอารมณ์ที่ถูกใจหรืออารมณ์ที่ไม่ถูกใจมีใครบ้างเนาะผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนที่มาทําให้เราไม่สบายใจหรือว่าทําให้เราสบายใจหรือว่าจะมันจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นจิตมันก็จะบอกนี่เรียกว่าใช้จิตเป็นก่อนนะ แต่เนื้อแท้จริงๆเขาไม่ใช่จิตแต่ใช้จิตที่สวยก็จิตนึกถึงภาพพระถามภาพพระว่าอันวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและอารมณ์ขอจิตนั่นแะมันก็จะบอกขึ้นมาเองเว่าพระท่านบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จดไว้ถ้าจะภาพพระจนนิ่งนิ่งมีลมสบายแล้วจิตถามภาพพระภาพพระนิมิต นะ่ารจูจิตมันก็บอกเขามาเองและจดไว้พ้มรับรองเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรผิดอาราสาวกโกองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วก็ต้องขอต่อวันหน้าต่อที่นี่ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้ความภาวนาและพิจารณาตามอัธยาญสายึงกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสงคว